تن قب لهم قوم في رع. The yellow.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 วจิَ ع َ ر ْ شه ومداد كلماته ي ح ي ّ يقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل اللهم فاتر السماوات والأرجل الغيب والشهادة رب كل شيء وملك ش ه د لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي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 ส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh พี่น้องที Facebook, so e an, ak ak ak. ่ร ok ่วมนมาสุโบที่มัสยิดอันวาดิสุนาและพี่น้องที่ติดตามเฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านทางที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่นดื่มเราต้องชุกรทุกขอคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะตาดาที่อัลลอฮฺให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมา Doa yang Al-Quran bunting nanti tu adalah Allah. Alhamdulillah yang tadi, akhirnya, bagaimana wailahin usul. Orang yang nafik Allah akan baca doa ini. Orang yang tidak nafik tidak perlu baca apa-apa. Bangunlah dan baca doa. Terima kasih Allah yang telah membawa kita ke surah Adzukar. อ ด, ดุคอร์นี่แปลว่าไอาหมอกไอหมอกนี่จะมีสองครั้งครั้งแรกนี่เกิดมาแล้วเมื่อหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีที่มักกะนะครับวันที่นบีกำลังเผยแพ่ศาสนาอยู่เนี่ยพวกกุฟรารมุชรลกีนะรวมตัวกันเล่นงานนบี วางแผนจะฆ่านาบีนะครับแล้วก็ด่านาบีใส่ร้ายนบีใช้ภาษาแรงๆเช่นนบีเป็นคนบ้านาบีต้องการชื่อเสียงนบีต้องการนั้นต้องการนี่แล้วก็มาหานาบีบอกว่าเลิกได้ไหมสอนศาสนาถ้าจะการผู้หญิงฉันจะไปเลือกผู้หญิง ในนครมักกนะเนี่ยเป็นเลือกมาเอากี่คนก็ได้สวยๆเป็นเมียท่านแล้วถ้าการตําแหน่งท่นก็จะยกตําแหน่งให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ปกครองนครมักกะเลยแล้วก็ถ้าต้องการเงินฉันก็จะรวบเงินมาให้ท่านต้องการอะไรบอกขอให้หยุดสอนศาสนาเพราะศาสนาเนี่มันบาดหูจริงๆ เรียกร้องสู่อัลลอฮ์อง์เดียวเป็นไปได้อย่างไงเนเมื่อพวกเรานี่กราบลูกเจเบตเท่าไหร่นะสามอยหกบหอยู่ในกะบ้านนะแล้วก็มัมัดให้เลิกกราบรูปเคารพให้เหลืออัลลอฮ์อง์เดียวเนี่ยทำในเศรษฐกิจเราพังอ่ะนั่นความความเข้าใจของคนวันนั้นเนี่ยเอาวันนี้อัลลอฮ์ให้นบีกวาดมักกาสะอาดแล้วใช่ไหม ไม่มีรูปโจเวตเมตกุบูก็ไม่มีเนี่ยปราบหมดถามว่าดีกว่าเก่าหรือเลวกว่าเก่าคําตอบชัดเลยดีกว่าเก่าใช่ไหมมีคนเข้าออกในคนครม ก, กาเป็นการแหล่งหารายได้ที่ดีที่สุดดึงคนเข้าม ก, กามากที่สุดไม่มีอะไรเลยนะ่ะมีใบตุลลอกกาบาสองอย่างวันนี้คนอยากได้สิอ่าอยากได้ ขอบคุณน้องร้อยนะครับที่เราทบทวนอลัอลอลกุรอานมาเนี่ยขอทวนนิดๆใ น, นเรื่องเก่าๆที่เรียนมาเนี่ยนะเ <c oughs> ช่อนอ่านกุรอานนี่ได้อะไรเราเคยเรียนกันมาแล้วนะอ่านใหม่ทบทวนใหม่นะอ่านอัานกุรอานนิดหนึ่งได้รับสิรความดีอักษรหนึ่งได้สิรความดี ท่านคนที่อยู่ที่บ้านพยายามอ่านกุณอานทุกวันเรื่องที่สองรอดพ้นจากความมืดในวันเตยมาเราจะมีแสงสว่าง إ ي ม ا ن น, นำหน้าเราตลอดเวลาจะเดินไปไหนมาไหนความสว่างมี إ ي ม ا ن น, นำหน้าเราทําให้สว่างและคนอื่นเม่ต้องเป็นม่นต้องเปนึกถึงคนอื่นนะซึ่ง ว, รวารวัาละกาจะให้รอดอยังไงเรื่องที่สหัวใจเรามีรัศมีจากการอ่านกุณอ่านนี่นะเรื่องที่สี่ พ่อแม่เราเนี่ยทีส่งเราอ่านกัมรอ่านตอนเล็กๆเนี่ยวันนี้เราอ่านกัมรอ่านเจองเลยใช่ไหมล่ะพ่อแม่เราเนี่ยจะได้รับการเรียกว่าสวมมงกุฎสวมมงกุฎที่ศีรษะเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยบังคับเราใช่ไหมบางทีก็ลงไม้ลงมือบ้างดุบ้างอะไรบ้างเอาไปอ่นนานคัมรอ่านกันนะไม่ไปเดี๋ยวตีนะอะไรเงี้ยพ่อแม่ได้ผลบุญอรรถจะสวมมงกุฎให้ข้อที่ห้านะครับจะยก ฐานะของเราให้สูงในสวนสวรรค์นี่ผลจากการที่เราอ่านอ่านกุรานบนดุนยาไปนี้เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์จะยกฐานะพระสวรรค์มีอยู่เท่าไหร่นะร้อยชั้นและชั้นที่พิเศษก็คืออัลฟรดเดานะครับข้อที่หกจับเชือกเส้นเดียวกันกับ อ, อัลละ์ อลัลลอฮ์มีเชือกอยู่เส้นหนึ่งนะครแล้วหัวเชือกอลัลลอฮ์ถืออยู่แล้วปลายเชือกก็คืคอกุรานได้ไหมที่นบีพูดเองฉะนั้นใครที่จับไปคุรานนั่งอยู่บนโลกดุงยาเบนี้หัวเชือกอยู่ที่อลัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดที่บรรลังอลัลลอฮ์เหนือ น, นะแล้วก็ปลายเชือกอยู่ที่เรานี่ข้อที่เจ็ดนะครับโรคความกุมอกกุมใจความวิตกกังวลก้ยค่อยๆหายไปเหลือแต่ความ สงบสุขทางใจทําให้ร่างกายแข็งแรงคนที่อ่านคุรานสม่ำเสมอเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงทุกคนถึงจะไม่ได้วิ่งออกกาลังกายที่สวนหลวงรอเก้าก็เถอะอ่านกุรานี่แหละซึุ่ลนร้อเยอะๆเนี่ยนะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีทั้งหมดเจ็ดข้อเรื่องที่สองเรื่องเก่านะเรื่องที่สองนบี บ, บรไอ้น บ, บีมุฮัมมัดในคืนนี้รอยไป ข่าวเฝ้าอัลลอฮ์ก็คุยกับอัลลอฮ์หลายเรื่อ ง, องนะเรื่องมอีเรื่องหนึ่งน่าประทับใจก็คือว่านบีคุยกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนีย่ยเรียกนบีอิบรอฮิมว่าคอลิลุลลอฮ์แปลว่ามิรแห่งอัลลอฮ์แล้วก็เรียกนบีมูซาอะลัยฮิสลวว่ากาลีมุลลอพอัลลอ์เนีย่ยสนทนาตรงกับนบีมูซาเลยเรื่องที่สาม ยกนบีอิสาเนี่ยบนชั้นฟ้ายังไม่ได้ตายขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอายุเพียง33มปียกนบีอิสาขึ้นไปบนชั้นฟ้าตอนนี้ยังอยู่กับแล้วก็จะรอลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำงานด่าวะอิสลามเอารูปแบบมันฮัตหรือว่าหลักการของท่านเอาเอาคุรานเอาสุนาัขนาบีเนี่ยมามาเผยแพร่ต่อข้อที่สนะครับให้นบีดาวูดเนี่ย จับของแข็งเนี่ยเหล็กเนี่ยนิ่มได้แล้วก็เห็นไหมให้นบีดาวูนเนี่ยเราให้แกนบีนะจับเหล็กเนี่ยนิ่มได้หมดเลยข้อที่ห้านบีสุไลามานเนี่ยให้บริหารลมเนี่ยลมจะเดินทางไปไหนมาไหนสมัยนั้นเครื่องบินยังไม่มีนะไทยสมายยังไม่มีแอร์เอเชียยังไม่มีแต่ว่าสามารถ มีแท่นอยู่อันหนึ่งนั่งแท่นนี้นะครับลมก็จะพาไปไว้แบบยิ่งกว่าอะไรเครื่องบินไทยสมัยสักอีกอัลลอฮ์ให้กับนบีสุลัยมานเรื่องที่หกนะครับละชันให้อะไรอ่านบีถามมาละชันได้อะไรคำตอบนบีก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันนี่เป็นอย่างี้ใครที่กล่าวกัลิมาละอิละฮะอิลล allah ไม่เอ่ยชื่อท่านเนี่ยคนนั้นกล่าวปริมะไม่ครบฉะนั้นใครที่เป็นมุสลิมจะอ่านคุตบะจะอ่านที่ไหนก็ตามก็ต้องมีละอัลลอฮุดอัลลอฮ์อิลลาห์อิลลัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุดอันมูฮัมหมัดะร์รัสูลลอห์คู่ชื่อฉันกับชื่อของท่านเนี่ยอยู่ติดกันตลอดเวลาเอาไโโหมอ่อฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ อากุณอาลีอธิบายบอก ว, ว่าเรฟานาละกะิซครออัลลอฮ์ในยกนบีมุฮัมมัดให้คนได้เอ่ยชื่อนบีอยู่ตลอดเวลาในนามาดก็เอ่ยชื่อนบีกันลังนี่อ่านคูตบ้านนี่แหละสอนตับซีก็มันกัะต้องมีเอ่ยชื่อนบีใช่ไหม อาซาก็เอ่อยชื่อนบีจะไปไ ห, ไหนมาไหนจะอาบน้ำน้ำม า, มาจบ ก, ก็มีชื่อนบีใช่ไหมอชาลาอิลลวะดลาชีกนละวะชดูอัออนนะมุฮัมมัดอันอับดวะรอสุโลูมีชื่อนบีตลอดเวลาพอใจยังอัลลอฮ์นี่เล่าให้ข้าพิณน้องฟังกัรลืมนะข้าพิณน้องอีกเรื่องหนึ่ง เ, งเรื่องเรื่องที่สามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอสเนี่ย หันหลังให้กับอลกุรอานหันหลังให้กับสุนทรนาบีไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นแล้วไม่เชื่อว่าวันสิ้นโลกมีจริงเนี่ยรู้ไหมอรรถได้ให้ชื่อใหม่นะคนเหล่านั้นมีประมาณได้ชื่อประมาณหลายชื่อประมาณแปดแปดชื่อก้าชื่อหนึ่งอัชชัคกูอยู่ในความสงสัย อิสลามไม่มีเรื่องสงสัยเลยนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยยึดอัลลอฮ์ตอสู้ในเรื่องสงสัยไม่มีเลยนะเป็นเรืร่องจริงทั้งหมดอัลฮับก็มีรอบบิความจริงต่อมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยเรื่องเรื่องเรื่องที่สองคนที่ไม่เอาอิสลามไปทางน้ำสาหรับชีวิตเขาเรียกว่าดอลีอยู่ในทางหลงเรื่องที่สมัมกุดูบอัลลอฮ์กลิ้วโกรดคนประเภทนี้นี่มีชื่อนะอยู่ในกระพีออ้ก็าอ่านทั้งหมด เรื่องเรื่องเรื่องที่สี่อิสติดรอจอัลลอฮ์เ ล, ล่าให้นบีฟังแล้วนบีมาสอนมาว่าแต่หางท่านพี่น้องเห็นคนไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารอซูลแล้วเขามีบ้านใหญ่ๆมีเงินทองมีนูน้นมีนี้เต็มไปหมดเลยมีรถก็ต้องหลายคันใช่ไหมนั่นเขาทางังทางเดียวับระยศกับอัลลอฮ์ อ, อลัอลลอฮ์ก็ให้เขาแบบอิสติโดรยัน ค่อยๆสู่ความหหยนณะอ้าวพูดภาษาใหม่ค่อยๆสู่ความฉิบหายในบ้านปลายของชีวิตเขาเรียกว่าอิสติตรอดฉะนั้นอย่าไปหลงดีองค์ดีใจตัวอย่างมีไหมอ้าวฟาโรห์่ะกอรูน่ะเป็นยังไงครับเอาเรื่องที่เรื่องที่5คนที่หลงดุนยาเนี่ยหลงเงินหลงทองหลงชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเป็นไงรู้ไหม ยาละมุนนอกรอนรู้เรื่องเผินๆไม่รู้เรื่องลึกๆท่านคนที่เป็นมุสลิมจะรู้เรื่องลึกหมดเลยนะเอาเรื่องวันกิยามะเนี่ยใครคิดบ้างอะเรื่องชีวิตอยู่ในกูโบใช่ไหมนี่เรื่องลึกหมดเลยอะตายแล้วต้องฟื้นนะใครคิดอะ่ะพวกคนคนาเฟ่ยังสงสัยอยู่เลยว่าจะขึ้นหรือจะฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่เขงมุสลิมเนี่ยศรัทธามหมดแล้วเรื่องที่หกครับ ข้อที่หกใบตุลากระบูดคนที่หลงดุญยาเนี่ยเขาวิ่งหาอะไรนะใยแมงมุมอ่ะพี่น้องดูใยมุมเปไปไงอะ่ะถาวรให้ล่ะนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังนะเรื่องที่เจ็ดนะครับยานาฮอบาอดอปีกยุงนะบีพูดเราว่าใครที่คนกาเฟสเนี่ยนะที่หลงดุ ญ, ญาายาใบนี้ถ้าดุ ญ, ญาายาใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุง Allah จะไมให้คนกาเฟเนี่ยชุดบาตอมาอินดื่มน้ํต้อกอึกเดียวก็ไม่ให้อ่ะแต่นี่โลกดุนยาเบ น, นี้ไม่มีค่าเลยข้อที่8มาตาองคอลินเป็นปัจจัยยางชีพชั่วคราวแค่วันครึ่งวันเองใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเบ น, นี้80ปิปี90ปีบางคนร0อยปีเนี่นะยนะแค่ไรนะมาตาองคอลินปัจจัยยางชีพเล็กน้อยล i t t อ่าข้อสุดท้ายข้อที่9 คนที่หลงดุนยาแมว อ, อิสลามเนี่ยสแสวงหาสิ่งที่ติดอยู่ที่ปลายอะไรปลายนิว้วนบีอธิบายอย่างนี้นบีเอามือเนี่ยพระหัตถ์เนี่ยนบในจุ่มไปในน้ามหาสมุทรนบีก็ยกขึ้นมานาบีบอกปัจจัยอาคิรออยู่ในน้ามหาสมุทรหมดเลยไอ้ที่คุณได้บนดุนยาบปนี้จะเป็นบ้านก็ดีรถก็ดีชื่อเสียงก็ดีที่ดินก็ดีตําแหน่งที่คุณได้ก็ดีติดแค่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือ นี่ไงท่คนอยู่ในอิสลามเนี่ยเข้าใจอิสลามมันลึกซึ้งมากคนที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยขาดทุนกขนาดมีชื่อเรียกแต่และชื่อและชื่อเนี่ยเราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมนี่เล่าให้ฟังเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาเอามานี้ขอบคุณอลัอลลอฮ์นะครับมาดูอายะที่สิเจดนะครับสุรอัดุคอนอั ด, ดูคอนแปลว่าไอหมอกจะมีสองครั้งนะครั้งแรกเรามีมาแล้วครั้งที่สองจะมีมาอีกอูบายล์ย่อมโลกตยามกรที่วันเตียมมาจะมา ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกก่อนตุล้อชัมสินมารีบิฮาเรื่องที่สองอัดดูคอนมีควันควันหมอกควันหมอกมานี่มืดหมดเลยเนี่ยนะคนกาแฟจ่จะสลบคนมุมินแค่เป็นแค่เป็นไรแค่เป็นวัดกดัเรียกว่าสุกรรมแค่เป็นวัดเท่านั้นเองเนี่ยดูคอนจะมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมวันนี้ก็อะไรไม่ใช่พีเอ็มสองสออ้นี้ไม่ใช่นะอันนี้มันเล็กๆน้อย และโรคโควิดนี่ก็เป็นการเตือนเองเลิกทําความชั่วได้แล้วโรคโควิดมาก็เพื่อไม่ให้มีบานในครับสนามมา้าสนามมวยแค่นั้นเองอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมเข้ายังไม่รู้นะเข้าแล้วเอาขอบคุณตลอด น, นะครับท่นผมนำเอาเรื่องอะไรที่เรียนมาอธิบายใ่เป็นอความกุศลกันลืมนะครับเอาวันนี้มาอายาที่สิบเจ็ดครับ والقد فتنا قبلهم قوما قوما فيرعون وجاءهم رسولٌ كريم والقد فتنا قبلهم قوما فيرعون وجاءهم رسولٌ كريم الحمد لله ดูซับวันกับฟตันนานี่ยแปลว่าเราได้ทดลองเราได้ทดสอบทดสอบมีสองอย่างนะทดสอบให้สบายก็ทดสอบให้มีความลำบากเล็กๆน้อยๆไม่ให้ตายหรอกกอบละฮุมคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาเขานะัใครรู้ไหมพี่น้องมักกะในนครมักกะที่ด่านาบีเนะี่ย เอาล้อเล่าให้นบีฟังให้ไปสอนคนมักการ์ด้วยถ้าปัจจุบันนี้ก็เข้าได้เข้าได้หมดนั่นแหละใช่ไหมแท้จริงเราได้ทดสอบนะกบลาฮูมคนที่มาก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดก่อนหน้าชาวนะครมักการเนี่ยใครบ้างกาวมาฟิราอูมูชนของฟิราอานมูชนกับฟิราอูนะกลุ่มไหนกันมีอสองสองกลุ่มติบติตบติ แล้วก็อีกกลุ่มดบนับนุอิสราเอลสองกลุ่มจุดในประเทศอียิปต์นะสองกลุ่มนี่แล้วก็ฟาโ ร, ราโ น, นี่เฟรอนโอนี่ยจับบันิอิสราเอลนนะี่ยเป็นทาสหมดเลยอย่างเงี้ยดีไหมละ่ะผู้นําแบบนี้นะ่ยดีไหมละ่ะไม่ดีครับเนี่ยเราเล่าในกรเพือกุกาดังนันนักปกครองผู้บริหารโลกดุนยาใบนี้จะเป็นประเทศใดของโลกก็ตามอย่าเอาอัคราภนิสัยของฟฟรอูโนมาใชา้ ฟิรอนไปอย่างนี้ครับอาลาฟิลอาร์ดีแว่ายิงผยองบนหน้าแผ่นดินไม่เคยนอบน้อมทมตนให้ใครเลยแค่เดินเนี่ก็ย่อยิงจองหองอวดดีเราอย่าทำนะเดินบนหน้าแผ่นดินของเราเนี่ยอาลาฟิลอาร์ดเดินโอ้ย่อยิงจองหองดนดูดดอย่าทาเองจะเอาอัการของนิสัยของฟิรโอนมาใช้ทำไมเรื่องที่สองกับ วายาเรวายาเราอะละฮ์สิยานแล้วไปแยกคนเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มวันนี้เมืองไทยก็มีจับแยกเป็นกลุ่มเสื้อเดําเสื้อดสเสืส้อแดงแล้วก็เสื้อเหลืองกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เนี่นเนี่ยแบบฟาโร่เลยเรียนแบบฟิลิปปนคนในชาตินี้ให้มันทะเลาะ ก, กันเป็นกลุ่มเล็กๆจะแต่ตีกันใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นทุกๆุกประเทศมีหมดมีอย่างนี้หมดเลย อังเวียดนามพังเพราะอะไรเวชยดกงพังเพราะอะไรใช่ไหมขเขมรถูกฆ่าไปเท่าไรทั้งๆที่นั่นก็คือกาอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะดังนั้นผู้นํา ม, มันต้องมีคุณธรรมต้องมีาศาสนาถ้าถ้าถ้าผู้นำศาสนาไม่มีอย่างเดียวนี่นะกอบโกยทั้งหมดเลยนะอย่าอ่าแตะเมืองไทยเยอะจะมีปัญหาเอาต่อมาครับ ยาสตาดอิฟุตอิฟะมินหุมทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอ่อนอ่อนแอหรือไม่จับจับบันไดอิสราเอลให้เป็นทาตแล้วก็ไม่ให้เงินเดือนด้วยแต่พีรมิดทุวันนี้น่ะฝีมือใครอ่ะฝีมือบันไดอิสราเอลหมดเลยนะใช้คนเป็นหมื่นแสนคนนั้นลากหินมาน่ะแล้วเอาไปสร้างเป็นพีรมิดพีรมิดพีรมิดแล้วไม่ให้เงินเขาอ่ะแต่มันก็เอาล้อก็เก็บภาพเอาไว้น่ะเก็บพีรมิดเอาไว้เป็นตัวอย่างเอนี้ฝีมือ ฟีเรอูที่ทํากับโลกไว้และทรมานคนแบบนี้เอาไว้ต่อมาครับอยู่รับเบคาอบนาอาฮุมเชื่อดตะกี้เชื้อแพ้ใช่ไหมนั่นเชื่อลูกผู้ชายอ่ะไม่ให้ลูกผู้ชายนี่เกิดขึ้นวายัสตาฮยูนิสาอาฮุมแล้วก็เอาไว้กับชีวิตกับลูกผู้หญิงฆ่าเด็กผู้ชายหมดเลยแต่ว่ามูซาอดมาคนเดียวนี่แผนของใครของอัลลอฮ์หมดเลยครับเนี่ยฟีเรอูลทาแบบนี้แหละ อลัลลอฮฺเล่าให้นบีมัตฟังเบอรสรุปว่าวันละก่อนฟัตันนากอบล่าฮุมเกามาฟีร์งูนแท้จริงเราได้ทดลองได้ทดสอบนะครับชาวที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นเกามาฟีร์งูกลุ่มชนกับฟร์งูให้มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ส่งนบีมาสอนนบีมูชาแล้วมันเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมไม่เชื่อ น บ, บีมูซาก็ต้องนี้อพยพไปอยู่ประเทศมาดยันไปแต่งงานไปเลี้ยงแพะตั้ง8ปดเปีแล้วก็ได้ผู้หญิงกลับมาอลอร์รอน้องเหนื่อยน บ, บีมูซานี่เหนื่อยจริงๆนะครับเนี่ยร้อนร่าสำหรับกผู้อ่านอุบาจอาหุมรอซูลุ่กะรีมยาอาแปลว่า ja ah um um ah ได้มาหาพวกเขาเหล่านั้นใครครับรอซูรุ่งมีรอสูลคนหนึ่งชื่ออะไรชื่อมูซาอะลัยฮิสลามกะรีมอะไรนะ อันมีเกียรติรอซูลทุกคนที่มาในโลกนี้มีเกียรติหมดพ่อนับีเพราะรอซูลที่มารอซูลมีอยู่ห้าคนนะอิบราฮีมมูซานวห์อิบราฮีมมูซา ح, อาซาอซามุฮัม m a d ผู้รอซูลส่วนอัมบิยะนบีเนี่ยประมาณแสนสองสี่พันคนถามาถามาส่งมาทำอะไรก็เป็นห่วงคนไง ส่งมาสอนคนเชิญชวนคนเรื่องใหญ่คือล ah ออิลฮะอิลลลอห์อัตตาฮิดอักีดะมาสอนเรื่องอักีดะเรื่องเตาฮิดมาเลยอยากเคารบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่ทุกวันนี้ขนาดสอนมาแล้วเลยนะมีน บ, บีมาแสนสองหมี่พันคนวันนี้คนยังจับยังกาบหินอยู่เลยคนยังกาบดวงอาทิตย์อยู่เลยมีไหมกาบดวงจันทร์ก็เรียกสิพระอาทิตย์ไม่เห็นนะ คนที่กราบดวงอาทิตย์จะเรียกพระอาทิตย์กราบดวงจันทร์จะเรียกพระอะไรนะพระจันทร์แต่ที่กุรอานพูดนะดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ไม่ใช่พระแต่เพราะเราไปกราบองค์ง่าปกาภาพราะ ก, พก็พระอาทิตย์แล้วก็เรา穆斯林เราเรียกตามคุณกาแฟด้วยเนี่ยน่าจะมือตกปล่าตัวเองเรียกทําไมภาษานี่ยใช่ไหมอันภาษาก็สําคัญนะพี่น้องอย่าคิดว่าฉันจบปิญญาเอกปิญญาโทรเรียกพระอาทิตย์ผนะู้ทธิตะ อลัลลอฮ์ไป่เล่นงานกับบนบนเท่าไรแล้วท่านอยู่บนดุงจนทรนั้จะต้องนอบน้อมถ่อมตนแม้แต่ภาษาพูดก็จะเอาภาษาคนกาฟเฟสมาใช้นะครับตูวลงว่าอาลัลลอฮ์ได้ทดสอบพวกเบนีอิสราอีทบททดสอบกลุ่มเฟรอรนเนีย่ยและเฟรโรนเนีย่ยทำอะไรบ้างนะอลัลลอฮ์แล้วก็อลัลลอฮ์ก็ส่งนบีมูซามามาสอนนบีฟาโรให้เลิกคิดเรื่องสกปรก แล้วก็ทรงอะไรมานะบรละต่างๆมาตั้งแปดเก้ารายการเช่นอะไรอ่ะเอาซอโยนไม้ไปเป็นเป็นงูกินงูเล็กๆหมดเลยแล้วก็ชักมือออกมายะดันใบบอมือขาวแล้วไนงะให้น้ําเป็นเลือดแล้วก็ให้กบเต็มบ้านเต็มเมืองให้ไรห่าเต็มหัวเพื่อจะให้เลิกทําความชั่วมันก็ไปหาหมาหมซาโมซาฉันจะเลิกทําความชั่วแล้วนะ ขันจะนับถือเร า, าองค์เดียวจะนําถือมูซาแต่ให้น้ําไปเลือดหายไปก่อนให้เห่าหายไปก่อนให้โกบหายไปก่อนพอนบีมูซาโคตรเอาตอนเราอร่รับหมดก็ชั่วเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเาลาเล่าให้พวกเราฟังให้นบีอมมฟังเอาต่อมาครับไอย้ยานในดวงการจะเตือนบอกว่าวันนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยอย่าหลงเงินอย่าหลงตําแหน่งที่มีอยู่ อย่าหลงชื่อเสียงเกียรติยศอย่าหลงผู้หญิงอย่าหลงมีนะมีได้ไั้มดีมีได้แต่ว่าต้องพาภรรยาเนี่ยเข้าสวรรค์ให้ได้ต้องปลุกภรรยาให้ลูกขึ้นนมาตะหจุดบ้างทั้งผัวทั้งเมียไม่ตื่นเลยเอ่ะทั้งๆที่ฟังทัพซีกันฟังกันมากีเบนสี่สิบกว่าป <c oughs> ีแล้วะก็นี่แหละแนะนำกันในนั้นลูกขึ้นนมาแตะหจุด อย่าขึ้นคนเดียวพยาพยาพาลูกๆได้นึกถึงอัลลอ์นะครับเอาต่อมาครับอายาที่สิบสิบแปดสิบแปดนะครับมันมีเรื่องอยู่ที่เกิดเกิดที่ประเทศประเทศเวียดนามแม่ตาเดียวนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกนี้คือ ลูกบอกว่าฉันเกลียดแม่เพราะแม่เนี่ยตาบอดไม่อยากจะให้แม่มาโรงเรียนเพราะเพื่อนๆ เ, เขาก็อายว่าเองเนี่ยลูกแม่ตาบอดแม่ตาบอดมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่เนี่มาเยี่ยมที่บ้านลูกคนนี้น่ะไม่บอกให้ใครรู้เลยว่าแม่น่ะตัวเองตาบอดเวลาแต่งงาน แต่งงานก็ไม่บอกให้เมียรู้ไม่ให้ลูกรู้เรียนหนังสือเก่งต้องการที่จะเอาตัวรอดคนเดียวพอแต่งงานเสร็จแล้วก็แม่ก็บียมลูกมีวันหนึ่งลูกเมียก็ตกใจก็หกลูกก็หกเมียว่าแม่ตายแล้วนี่ใครมาล่ะเขาก็ตวาดแม่ไปโหในภาพนี่หน้าหน้าเศร้ามากนะแล้วก็มีวันหนึ่งแม่ก็ลืมไม่มาเลยไนงะ เสร็จแล้วก็ลูกคนนี้ก็ไปที่โรงเรียนเขาจัดประชุมอะไรต่อปีมีอย่างครั้งสองครั้งใช่ไหมน่ะประชุมรุ่นอย่างนี้น่ะก็ขานผ่านไปที่บ้านตัวเองไปแว่แม่ตายแล้วนี่นะแต่รูปแม่ยังยังมีอยู่แล้วก็นั่นยังแม่เน่ยเขียนมาไว้เขียนอะไรนั่นเขียนภาษาเอาไว้ลูกก็ไปอ่านที่แม่ตาบอดเนี่ยเพราะแม่เอา เอาลู ก, กตาของแม่เนี่ยให้กับลูกเพราะลูกตอนเติอนมามีตาเดียวแม่น่ะมีสองตาที่แม่ตาบอดเพราะว่าเอาควักลู ก, กตาของแม่เนี่ยให้ลูกลูกไปอ่านจุอ้าวเราเนี่ยไปดา่าแม่ว่าแม่ตาบอดที่ไหนได้คนที่ตาบอดน่ะคือตัวเองอะเสียใจแล้วร้องไห้อะแต่แม่ตาตายไปแล้วฉนั้นอาญารยี่เตือนอย่าดูถูกคน ดีวคุณอ่านททิติ์เมื่อวานนี่น้ำตาไหลจังเลยนะนบีมาได้ทานอาหารสองวันสามวันนี่ชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ครับกันต้องอย่าดูถูกคนอย่าเหยียดหยามคมต้องช่วยเหลือคนดูแลคนมีเงินมีทองแบ่งกันใช้ใช้คนเดียวอะ่ะนั่นคนที่หลงรุญยาเนี่ยไม่ดีหรอกอยู่อยู่บ้านเมืองไหนก็สร้างความสร้างความเดือดรนะ้อนน่ จะว่าชิมหายมันก anyway, ็แรงไปนะครับตัวนี้ละอันต่อมาครับอันอัลออิลัย ل ه อินนิละคุมอันอัลออิลัย عباد الله อินนีละกุมรอสูลุนอา min อั ด, ดูเนี่ยสับไปว่าจงมอบอ่าจงให้จงมอบให้อยากกักเอาไว้ให้มาอิลายาแกฉันอิบดะดัลลอบ่าวของอัลลอฮ์คือนบีมูซาเนี่ยบอกกับฟิโรจน บอกว่าพออับดุลโมซานะมาจากครอบครัวบันิอิสรออาเอลฟาโรนะมาจากครอ บ, บครัวของกิปตีมีสองอะไรนะสองสอ ง, สองตระกูลใหญ่ๆเหมือนกระเสื้อแดงกระเสื้อเหลืองนี่แหละอ้าวทะเลาะ ก, กันเองใช่ไหมแต่นี้มมซาเนี่ยในฐานะเป็นตัวแทนของบันีอิสรา อ, อลลก็เป็ น, นอับดุลโมซาร์ด้วยเป็นรอซูลด้วยบอกว่า มอบประชาชนกลุ่มบริเวณให้ฉันเถอะอันอั ด, ดูอิไลย ะ, ะจงมอบนะครับไอบาดอลลอแปลว่าเบาวอัลลอฮ์มาถึงบรรณุอิสราเอลให้ให้แก่ฉันฉันจะดูแลเองรักษาเองฝากคุณมากีป่ปีแล้วคุณก็กดเขาเป็นท่าตลอดเนี่ยดูแลเขาเขรียนเขาอะไรเขาใช่ไหมให้ฉันดูแลดีกว่าอ่าเนี่ยลอยเล่า ให้นบีมันฟังนี่เล่าให้นบีมุ h ั m m a d ฟังพราะนบีเองก็ถูกแบบนบีมูซานั่นแหละถูกชาวมักกะไล่บ้างด่า้างวางแผนฆ่าบ้างนาบีมูซาก็เหมือนกันถูกเล่นงานจากฟาโร่ฟาโร่เนี่ยมาจาคนธรรมดานะกษัตริย์นี่ปลอบใจนบีเขาเรียกว่าตาซัลลาปลอบใจนบีจะทํางานศาสนาเนี่ยไม่มีใครอยู่สบายสักคนหนึ่ง คนที่จะคิดทำงานศาสนาะต้องเรียนกุรานเยอะๆครับต้องเรียนกุรานครับอ่านกุรานเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ทีละอายะต้องอ่านตำซีดด้วยนะทีละอายะจะได้ข้อมูลเยอะมากเลยฉะนั้นจะไปเอาเอาเกียรติเอาชื่อเอาเสียงในการดาว่าอย่าไปหวังเอาจากอัลลอฮ์องเดียวพอคนจะต้องดา่าคนจะต้องตำหนิคนจะต้องคนไม่ทำงานดาว่าไม่รู้ผมไม่ถูกดานะ่า คณะใหม่วะฮ์บีสุอัลเป็นกฎมันกฎกฏญาณี่ถูกดามาหมดแล้วเราก็นั่งฟังเฉยๆหมดระยะงานาดามะดามะอยากที่พิเศษต่อมาครับอันอัดดูอิลัยอิบาดุลลอละมูซาได้กล่าวแก่เฟืองอูนว่าจงมอบบ่าวปวงบ่าวของอัลลอฮ์แก่ฉันคือวงวานบันีอิสราอลอิมบีมูซาเนี่ยผู้ภาษาดีนะ บ่าวของอัลลอฮ์นั่นนับเป็บ่าวอัลลอฮ์นะัมัจะทาตเองเหมือนกันวันนี้เราที่คนที่เป็นเจ้าของคมเจ้าของกิจการมีบริษัทห้างรา้านมีลูกน้องสิบคนยี่สิบคนอย่ามองเขาเป็นไพ่เป็นทาตไม่ได้ต้องมองเป็นอิบาดุลลอห์เป็นบ่าวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาช่วยงานเรื่องที่สองเรื่องที่สามต้องนึกถึงอาหารเขาด้วยเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เสื้อผ้าต้องนึกด้วยนะแล้วก็ยาดาเขานะ แล้วก็ทางงานหนักต้องลงไปช่วยเขานี่นบีมัดมาสรุปชีวิตของดุญยานี่ให้เราฟังฟาโร่ทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ก่อนหน้านี้อลัลลอฮ์เล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังอินนีลากุมอินนีเววาแท้จริงฉันลากุมสดับท่านทั้งหลายรอสู้ฉันนี่เป็นโปรเฟตฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อามน ผู้ที่รักษาหน้าที่อย่างมั่นคงอามีน I แ mean, ปลว่ารักษาหน้าที่อย่างมั่นคงอัลลอฮ์แต่งตั้งจารเป็นนบีไม่เคยเบี้ยวเลยอะคนที่เบี้ยวหน้าที่มีมาแล้วนบีอะไรนะอยู่อะไรยูนุชใช่ปะใช่สิแล้วก็ไปอยู่ในท้องอะไรท้องปลาเห็นไหมมีหน้าที่ ในาการได้ว่าอิสลามแต่ไม่ทำหน้าที่อัลลอฮ์ให้เล่านัก็พีกุรานไปฟังยูนุสฟีบัตนีฮารุตอยู่ในท้องป่าขอดุอาครับละอิละฮัยละอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตัมีนอัลลอฮลมีอัลลอฮ์ได้ยินอยู่มูชันฟาชันทีเจ็ดเนี่ยคนกาเฟ่นเนี่ยมุ่มุนข้างคนยังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยกำลังฟังเราอยู่นะเนี่ยที่เรานั่งในมัสยิดนี้น่ะกี่คนก็ตามแต่ข้างบน เป็นภาพที่สวยมากเลยนะอัลลอฮฺให้เล่าให้ยิบรีให้มาลาอิกาฟังนั่นดูบาของฉันนั่งอยู่ในอว า, า, านะิโซน่าใช่ไหมเขานั่งฟังตัปซีเขาไม่ได้เป็นคนชั่วหมดนี่นะเขามันเดีนนอนหลับกลางคืนเขาตื่นตะฮัดยุดกันมาดูสิอย่างนี้เป็นต้นอินนีรอซูลุนฉันนี่เป็นรอซูละกุ๊มสําหรับพวกท่านอามีนุนที่รักษาหน้าที่มั่นคงในหน้าที่ไอ้ไหมใครกล้าพูดบ้ <c oughs> เรานี่ไม่กล้าพูดนะ ฉันเนี่ยทำหน้าที่ครบบริบูรณ์มีไม่กล้าพูดไหมไม่มกล้าแต่อัลลอฮ์เล่าให้นบี ม, มุ hammad ฟังว่านาบีมูซาพูดว่าอินน um ีละกุมรอซูลุนอามีนฉันนี่เป็นรอซูลที่อลัลลอฮ์ส่งมานะทําหน้าที่แบบครบบริบูรณ์เลยเราไม่มกนะล้านะแต่อัลลอฮ์คุมของนบีแล้วก็นบีมูซาเนี่เก่งจริ ง, รงๆนะครับพี่น้องอ้บาดลอลลอบแปลว่าปวงปวงเบาหมายถึงบรนีิอิสราอีนทีนี้นะครับ ตะกี้พูดอธิบายแล้วใช่ไหมบอกว่ารอซูลมีทั้งหมดห้าคนใช่ไหมมีใครมีนัวอะลัยฮิสาลามอิบราฮิมอะลัยฮิสซาลามมูซาอะลัยฮิสาลามไอซาอะลัยฮิสลามมุฮัม m a d รูสูุ่ลลอ์สุลลาอะลัยฮิบสสลามมีอยู่5คนรอซูลส่วนนบีเท่าไหร่หนึ่งสองพคนต้องนึกตรงนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาคนถึงขนาดนี้เพื่อไม่ให้เราเดินหลงทางนะครับ อัตวมาคับายาที 19. ว al ่าแล้วแต่ละว่ลอัลลอฮ์อินนีอัติกุมบิสุลตอหนมบินว่าแล้วต่ละว่ลอัลลอฮ์ อินนีอะติกุมบิสุลปนิมมูบินดูสับนะครับอัลลอฮ์แปลว่ า, าคือนบีมูซาเนี่ยมาทำงานด่าวะตัปลิกศาสนาให้กับฟิราอูนให้กับบันนีอิสราอินให้พวกกีปตีทั้งหมดเลยนะเหนื่อยนะ แล้วก็นบีมูซาก็ขอให้อลัลลอฮ์ให้ฮารูน่ะเป็นผู้ช่วยอลัลลอฮ์ก็สองคนดูแลคนทั้งประเทศน่ะโอยเนี่ยอลัลลอฮ์เล่าให้เล่าให้พวกเราเห็นว่าคนทํางานศาสนาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะอย่างมูซายังมีฮารูนอย่างมุฮัมาามัดจะมีซาบานใช่ไหมช่วยทํางานศาสนาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแล้วถูกด่าไหมถูกด่าครับอันล่ะแปบลบว่าอะไรนะ อย่าจงอย่าตาลูแปลว่าโอหังอย่ายกตนโอหังอย่ามองตัวเองว่าเด่นนะห้ามมองตัวเองอย่ามองตัวเองว่าเด่นเด่นมีเงินหน่อยเด่นแล้วมีตำแหน่งเป็นสอจอเป็นผู้ว่าโอ้โหฉันนี่เด่นแล้วมีรถคันงานงามแพงที่สุดในหมู่บ้านฉันเด่นแล้ว คิดผิดยิ่งมีอะไรเยอะๆให้ทำงไงให้ทอมตน้นแบบนาบิสุลัยมาน่ะเไหมอัลลอฮอักบัรทอมต้นตลอดเวลาคนที่รู้ภาษาหมดใช่ไหมหมดพูดได้รู้อ่ะสุญูตอเลเลยน่ะไอเราได้มีอะไรดีกว่าประชาชนหน่อยอัลลอ์กลางอ่ะฉันอยากลางเนเะพราะอ่านกูอ่านแล้ว ให้เราเนี่ยถอมตนอัลลาตาลูอย่าอย่าเป็นคนที่ยกตัวเองโอหังตัวเองมองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอย่ามองไซนัมัตบอกว่าคนที่มองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นคนนั้นไม่มีตกกวาไลเซลหูตักวาฟีกอลบีหัวใจในหัวคนไม่มีตั ก, กวาไม่แต่ดีเดียวมองตัวเองเด่นกว่าคนอื่นอย่าทำต้องมองให้คนอื่นนั่น เด่นกว่าเราต้อมองอย่างงั้นใครก็ได้ยิ้มก่อนทักก่อนสลัมก็เขาก่อนมั้ยถ้ามองตัวเองเด่นกว่านี่ก็ไม่อยากทักแล้วเนี่ย ม, มึงเล็กกว่ากูเนี่ยถ้ามองว่าเราเล็กกว่าเนี่ยยิ้มตดก่อนได้ไหมได้สลัมก่อนได้ไหมได้อย่างนี้คพื่อนอัลลอฮฺตาลูอัลลอฮฺอัลลอฮฺตอนหลังนี่ดีเองอย่าโอหังกับอัลลอฮฺนะ ทั้งนคนจะโอหังกับเราต้องโอหังกับมนุษย์ด้วยฉะนั้นอย่าโอหังกับอัลลอ์ต่อมาครับอินนีแท้จริงฉันนี่นบีมูซาดาว่านะดาว่านะตามเยกดะว่านะอินนีแท้จริงฉันอาตีกุมมายัางพวกท่านไม่ใช่มาตัวเปล่านะบิสุลตานินนำเอาหลักฐานมามูบีนินแปลว่าชัด แจ้งชัดเจนอะไรบ้างมีอยู่ก้ารายการทิสอาอายาสหนึ่งอศลซอไม้ถือของนบีมูซายโยนกลายเป็นงูชักมือออกมาจากหน้าอกใ บ, บอบาใบุนอัปยาใบอัปยาตว่าสีขาวแล้วก็ให้เลือดทะเลน้ำทะเลเป็นเลือดให้กบเต็มบ้านเต็มเมืองจัดตักน้ำเจอกบให้บนหัวผู้หญิงมีแต่ห่าหมดเลยใช่ไหม ทั้งหมดเนี่ยก้าวรายการพวกนี้มันยังไม่เชื่อเลยเราก็เล่าฮานาบีมหมัดฟามบอกว่ามูซาเนี่ยพูดกับพวกเฟรโรนว่าอินนีอาตีกุมแท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านไม่ใช่มามือเปล่านะบิสุลตอเน้นหลักฐานมูบีนินเป็นอะไรนะชัดแจ้งชัดเจนนี่คืออิสลามอิสลามมีหลักการชัดชัดเจนครับ อัลลอฮ์ส่งนบีมาแต่ละคนนะม่ใช่มานอนนะมัมันไม่ใช่มาสอนวิธีการขูงข้าวนะไม่ใช่มาสอนการทำงานดาวะอิสลามเนี่ยเชิญชวนคนฉะนั้นอยู่บ้านพยายาบอกกับลูกอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะลูกมันจะถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะายอยู่ที่ความสามารถของพ่อหลายจะต้องอธิบายว่าัลลออยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าอย่าอย่าพูดว่าอัลลอฮ์ everywhere เนี่ยอย่าพูดนะ นี่มันเป็นความคิดเกินเป็นอักดีดาความเชื่อของอาชางอิรอห์อัลลอฮ์อิสเอเวอร์รีเวลอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ใช่เอเวอร์รีเวลนัน่นไหนมูฮูความรู้ของพระองค์อิสเอเวอร์รีเวลอัลลอฮ์เห็นทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์รู้ทุกหนทุกแห่งแต่ว่าอัลลอฮ์ฟีอาร์ชิฮีฟีสามาวาอยู่บนบัลลังบัลลังอยู่สูงที่สุดชั้นฟ้ามีเจ็ดชั้น หลังจากทั้นที่เจ็ดมีทะเลอีกแล้วก็มีบัลลังอัลลอฮ์นึกภาพไม่ออกไปแล้วมีทะเลอีกละ่ะอยู่ทางบนนั่นนะ่ะน้ำมาอ ก, กับบนบนพื้นแผ่นดินบนโลกดุงดาวใบนี้อีกนั่นต่ออธติอาให้ลูกฟังเป็นนะครับอธิในคัมภีร์อักุรอานอียะอื่นอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์สั่งอินนัลลาดีนยัสตักบบรูอันอบดตัยคนที่โอหังอวดดีบนโลกใบนี้ สซยดคูลนะ่พวกเขาจะให้ข้าวยาน้ำนัยนรกนรกมีทั้งหมดเจ็ดขุมนะนรกมีทั้งหมดกี่ขุมนะเจ็ดขุมมีชื่ออะไรบ้างหนึ่งยันน้ำแปลว่านารกยานิมแปลว่าไฟที่ลุกโชนโชนช่วงลาจอแปลว่าเปลวไฟนี่ชื่อนรกนะลาจอ อันที่สี่สกอตแปลว่าที่เผาไหม้เกรียมที่ห้าอัสไรสไฟที่ลุกไหม้ที่หกอัลฮุตมะไฟที่แตกเป็นเนียงอัลฮาวิยะเหวที่ลึกที่ไฟลุกอยู่ในเหวนั้นใช่มมีทั้งหมดเจ็ชื่อพูดใหม่นะข้อที่หนึ่งยาฮีมข้อที่สองยาฮันนำข้อที่สมลาลอข้อที่สี่สกอต ข้อที่ห้าอัสไข้อที่หกอัลฮุฟาข้อที่เจอัลฮาวยะที่นั้ก็ฟีกุนอ่านหมดเลยอ่านไปจะเจอนะว่ามาอดรกามาฮยนารุนหามียานี่ไงนรกหมดเลยต่อมาครับอายาที่สิบเจทมที่ยิสีบัลฮัมดลว่าอินนิอตบิรอบีว่ารอบีุมอันตารจุมูน วะอิน <ون> นี้อุตุบิรรบีว่ารับบิคุมอัน ت ر ج มุนอัลฮัมดุลิลละนี่ดุอานบีมูซาขอดุอาร์สอนสอนสอนสอนสอนสอนไม่ไว้แล้วนะึ <laughs> ่งให้อะไรนะอะลามัตมาให้มุอิจิศาสมาตั้ง 8-9 รายการ ขอมาทงานขอฉันขอความคุมค้มครองอินเนอุสตูฉันขอความคุมค้มครองอุสตูนี่นะ อ, ลละนะอ า, นาอุสบินละเนี่ยแหละอ่าอุสตูบปมาณอาอุสูฉันขอความคุมค้มครองจากใครครับบีร็อบบี้เห็นไหมมาจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไม่ใช่บีร็อบบีพระผู้อาิบาลของฉันวาร็อบบีกุมพระผู้อาริบาลของพวกท่านด้วยเห็นไหม นี่นบีมูซาเน้นเวลาขอต้องขอจากอัลลอฮฺอย่าขอจากสิ่งอื่นอยากไปหาโตตะเกียไปขอจากโตตะเกียไม่ได้ขอจากคนตายไม่ได้ไปหาหมอดูให้หมอดูก็ไม่ได้พี่น้องพึ่งอัลลอฮฺตรงๆเลยว่อินเนอุสตูบีรอบีฉันขอ ความคุ้มครองต่อพระพูอภิบาลของฉันว่ารอบบิกุมและพระพู้อภิบาลของท่านทั้งหลายอันต้าจุมูลรอยามาตว่าคว้างโดยหินจนตายเพราะว่าฟาโร่เนี่ยวางแผลแล้วจับมูซาคว้างก็เมียตัวเองยังคว้างได้ละใช่ไหมเมียรับอิสลา ม, ะมะโมโหเลยเอาหินรอยำขว้างโดยหินจนตาย ในมูซาก็รู้ขาแล้วมีคนมาแจ้งแล้วเขาวางแผนจับมูซานะจับคักไม่ขังก็จับฆ่าจะคว้างแน่นบีมูซารู้ขออุดมอกรอจ่าจอินเนอุสตูบีรับบีฉันขอความคุ้มครองจากพว้อภิบาลของฉันวารอบบีกุมผู้อภิบาลของสู่เจ้าอันตัดยุม่มนพวกเขาจะคว้างฉันจนตาย ก็กลัวทุกคนตัวกลัวกันหมดใช่ไหมกลัวตายอยัางนั้นและกลัวทางถูกทางแก่ฉะนั้นผมไนี่ออกจากบ้านคมขอถวายรถจ้าคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยไม่รู้ว่าใครมาแดกมาดักมา ด, ดักตีหัวปากขอความคุ้มครองตลอดขอตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนยังรถจะ้ายังให้แม้จะเนี่ยจะขึ้นมาทับซีนแต่พออ่านกุรอาน ดูอา 8, 9, 3, ่านแปลเกาเทีออนไลน์นะรับบิชราลีซอดรีวยาเซลลีอัมรีวะหลุนอุกดะต์มิลลิซานียับกะหูเกาลีต้องขอมาทุกครั้งเชือกรองเท้านาบีขาดนาบีก็ขอมาเดินไปซื้อก็ได้แต่ทั้งคนที่พึ่งอัลลอฮ์เนี่ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยไม่หยิง ไอ้คนที่ไม่พึ่งใครเลยกูแน่กูมีเงินน่ะกูมีบ้านกูมีลูกจ้างตัางหลายคนน่ะกูไม่พึ่งอะไรก็ได้นั่นแหละก็เอ็นยิงอ่ะแล้วก็เลี้ยิงไปไหนครับอินนัลลาฮีนายัสตักเบรุนอันอิบะดาติสายาตฮูลูนญจฮันนามดาคีรนีนักคนที่เย่อหยิงโอหังอวดดีบุญหน้าดุจยาไปนี้ไม่นอบนอบ้อมไม่ถ่อมตนรอตัดยากูบนเสียเกียรตินะ่ะใครบอก่ ตัดแยกกูปโย้ยมาป่ารณโน่นกูตรงนี้ไม่เห็นหรอฉะนั้นงานของอัลลอ์ทั้งหมดงานพิ่มีเกียรติหมดเลยยิ่งงานสุ j ย d นะอัลลอฮ์อัยิ่งใหญ่อ่ะแค้นสุ jud เยอะๆน้ำมาตุคาเก็บนะอย่าขาดนะเพราะแกแล้วนำมาตะฮะยุดเก็บไว้ก่อนนำมาสะฮุสีรัดเก็บแกแล้วเนี่ยสุนัตเก็บให้หมดนำมานนี่นะคนนอบน้อมถ่อ ม, อมตอนต่ออัลลอฮ์ ต่อมากับคือในตบที่อธิบายบอกว่าอัสตานิซุบิลละฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ว่าอัลตยอูอแลลวจะขอความพึ่งกับอัลลอฮ์ว่าอตาวักกะลัวฉันมอบหมายชีวิตของฉันต่ออัลลอ์ที่พวกนี้ขู่ฉันว่าจะ อัลกต บ, ลบิลบิลบิลฮิจาราะคว้างฉัน้วยหินอาวิลอีลาให้รายฉันวัชชะตั้มและตัมหนิ่ฉันดาฉันอัลลอย์ช่วยคุ้มครองด้วยนะครับอย่าให้มันแรงเกินไปรับพอทนได้เล็กๆหน้อยๆต้องขออุทิศต่อหลกนะครับอต่อมาอายะที่21ี่าอวะอิลลัมตุมินูลีฟาตาซิลูน ว่าอิลลัมตุมิโนลีฟาตาซิลูนคำแปละนะครับว่าอิลลัมแต่ถ้าหากพวกท่านนินบีมูซาพูดนะขอดูอาออราตอรอ่นั่นแหละถ้าหากพวกท่านไม่เชื่อลลัมตุมินูถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ฉันได้ว่าไปเชิญชวนไปตับลกษไปไม่เชื่อจะเลยเนี่ย ให้อสรมาให้มือมาให้น้ําเป็นเลือดต้องเยอะแยะเป็นบทยคอมพิวเตอร์รอมาอีกเล่มหนึ่งมาสอแล้วอธิบายแล้วว่าอิลัมตุมีนูทาพวกเขาไม่เชื่อใน ม, มีคําว่าลีในตับซีตกบิดนะครับบอกว่าทําไมอลัลลอฮ์ใช้คําว่าลีไม่ใช้คําว่าบีว่าอิลัมตุมินูบีไม่ใช่ แต่ชักคำวัตุมมนูลีเพื่อจะบอกว่านาบีมูซาเนี่ยเรียกร้องคนไม่จะสู่ตัวเองนะครูอัลลอฮ์บางคนเนี่ยเรียกร้องคนสู่ตัวเองไีมเปล่าเยอะไหมฉะ <c oughs> <c oughs> นั้นนี่กุอรอานยันี์เตือนนะ <c oughs> มูซาไม่ได้พูดว่าไว้ล้ำวัตุเมนูลี <c oughs> เรียกร้องสู่ทางนำของของอัลลอฮ์ผ่านฉันอ่า ไม่ใช่เชื่อฉันไม่ใช่ e ร p เ c t ให้เกียดฉันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นฟาตาซีลูนดังนั้นฉันก็จะห่างก็จงห่างจากฉันไปเจอต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันแลวกุมดีนุ ก, กุมวัลลียดีถ้าสอนแล้วอธิบายแล้วไม่เอากันก็อยากฆ่ากันอยากทาลายกันอยากติพระมอีองค์หนึ ง, ไ, งไม่ยู่ว่าตัวเรา อ, องค์ดี เย็ยบกรานเี่ยหน้ามันซาไแลวโอ้โหอันนั้นพราคดทำหน้าที่ไว้นะ เ, เห็นไหมอย่าไปดูถูกอย่าไปเยียดยามกันอย่าไปว่ากันรีอร้องอถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเรากุมดีนุกุมวาลียดีสนาะท่านก็ท่านกับนับถือไปของเราเราก็นับถืออย่าไปก้าวไกลซึ่งกันเดกันต่อมาอย่อที่ยี่สินะครับฟาดารับบะฮฺ أنهاؤلاء قوم مجرمون فدع ربه أنهاؤلاء قوم مجرمون ฮะบดุลล l ฮ a ฟะดะด้าแปลว่าดุอาเนี่ยแหละแปลว่าขอพร นบีมูซาเนี่ยได้วิงวอนได้ขอรบบาหูจากพระผู้อาภิบาลของเขาคือ Allah. อัลลอฮ์อ้อนอันลออลอฮนะอัลลอฮ์จาอันนะฮะอูลาแท้จริงชนเหล่านี้ยมาถึงฟีรอโรนแล้วก็ บ, บริรยิสราอีหรือพวกกิฟตีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮาอูลาอีกเก้ามล เป็นหมู่ชนมุจลิ ม, มผู้ทำผิดฟออ้องอัลลอฮ์เลยพี่อลัลลอฮ์นะรู้อยู่แล้วแต่ก็ฟออ้องอัลลอฮ์จ่าฉันนี่สอนมาไม่ต่างก็สี่สิบปีนะพวกนี้ก็วางแผนชะคาฉันด่าฉันสารพัดพวกนี้อลัลลอฮ์จ่าเขาไม่เชื่อฉันแน่ต่อมาครับในคัมภีร์กุรอานอธิบายบอกว่า โลกคนนบีม oh oh oh ูซนนบีมุซาคนอ้างอัลลอฮ์บอกว่าว่ก็ลมุซารับบานาอินนักอัตัยต์ฟิลออุบะมลอาูจีนตันว่ามุาลันฟุล حياة ติดุ尼亚รับบานาลี่ดิลูอันซาเบลิกรับบานักมิสัล่ามุาลิห์ม واشنطن ัลกลุบิห์ม فلا يؤمنوا حتى يربو العذاب الأليم ก็เลยกดอุจิบัจดาวัตุมาฟาสตะกีมาบิมุสะขอรัวต่อโลกก็เล่าอัลลอฮ์ฟังด้วยบอกว่าไรนะอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้กับฟิลิโอและหัวหน้าของพวกฟิลิโอนั้นความสุขความสำราญแล้วก็วาอัมวาลันให้ทรัพย์สินกับพวกเขาฟิลไฮยาติดดุนยาในโลกดุนยาใบนี้ นี่มูซาขอดูอาไปก็เล่าดยอลัลลอน์นะให้พวกฟฟรนโกน่ะอยู่ในวังให้กอรูนทรัพย์สินลูกกุญแจไขครางเท่าไหร่คนแบกตั้งเจ็ดปดคนรับบ้านาโออัลลอฮ์จ๋าลิยูดิลูอันพวกเหล่านี้น่ะพาคนหลงทางหมดเลยอะ่ะแล้วให้เงินมันทำไมให้ตำแหน่งมันทำไมได้ตำแหน่งได้เงินพาคน หลวงหมดเลยรับบานาอัตมิสโออัลละฮ์จ๋าโปรดทาลายนี่ไงนบีมุฮัมมัดไม่เคยขออุทิาทำลายคนมักกะไม่เคยมีอยู่นบีเดียวนะครับที่ไม่เคยขออุทิาทำลายคนที่ไม่เอานบีนี่เป็นความเมตตาเป็นความงามเขาเรียกว่ารหฮมาตันลิลาและมีมุฮัมมัดเป็นคนเดียวที่เมตตาต่อประชาชนขนาด ถูกคว้างไปหินใช่ไหมไปที่เมืองตอเอฟยิบรีนมาไรก้านลงมาทําลายไม้ข่าไม้ไน บ, บีถามทําลายยังไงจะให้ภูเขาเดินชนกันละตายหมดดูแบบมา um mi, เอาอลองมาเฟนเหล็กเกาหลีฟาอินน้ำหุมและยะเหล่าหมูเราจะอย่าเอาโทษก็ เ, เลยเพราะพวกเขาไม่รู้แต่บีมมซาคนยมันไส้นะสอนมันฑะแล้วนะอัลตมิสอาลาอัมวาวเราทําลายทรัพย์สินของพวกเขา วัสดุนอลากรูมแล้วก็ให้หัวใจของเขาแข็งกระด้างต่อไปเถอะโอ้โ ห, โหฟาลาอยู่มีเนิ่พวกเขาจะไม่อีมานหรอกฮัจยารวุลอาบะอาลึกเขาเขาจะอีมานตอ น, หนหอไหนรู้ไมตอนเห็นการลงโทษมาแล้วก็จริงไม่ล่ะตอนที่ฟาฟรโรนจะจมนำตายพูดว่าไงอ่ามั่นตุฉันเชื่อแล้ว <S <s เห็นอาซาบมดแล้วอาซาบมาอลัลลอ์ใช่เลย นบีมูซาเป็นนบีจริงอัลลอฮ์มีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงตรรศของอัลลอฮ์จริงมารู้ตอนวิญญาณจะออกจะร่างแก่ทันไหมล่ะไม่ทันก็แหละอุญีบ่บอัลลอฮ์ตอบว่าดวงอาของนบีมูซาที่ขอเดี๋ยอัลลอฮ์รับหมดแล้วก็ฟัสตะกีมาสองคนก็ต้องยืนหยัดต่อไปนะเหมือนก็สอนเราวันนี้แหละ นี่มุสลิมจะรับอิสลามกันอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเป็นนัมเบอร์วันใช่มะอย่ายิงเพราะว่ากามัคุกับอัดุลลอออัมดุลลอที่มัณมา ก, กับเราเนี่ยดุลลอไนเจอร์เนี่ยมันพูดดีนบอกว่าซาญคูลูนฟีดีนิลลาฮิอักวาฟับบีหลังจากนาบีบิชิตนครมักการเนี่ยคนจะเข้ารับอิสลามเนี่ยเป็นหมู่มู่กมุมินงมุสลิมทั่วโลกฟั บ, บ ให้ครายางนี้สุ b าน n a ล l a ว่าบิฮัมดิรอบบิกละกับเาอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮ์อัสตะฟิรุลลอฮ์เขาสามประโยคแต่มันก็คุยเราว่ า, วามันไปเยี่ยมคนนอนติดเตียงเนี่ยวันว่างนี่นไม่ได้ว่าอะไรเลยแล้าบอกเออจริงบอก่จริงที่บ้านมาันมก็มา่อไงคนป่วยติดเตียงเนี่ยเยอะมากอะ่ะ นอนป่วยติดเตียงนี่นะไม่ได้น้ำมานอยู่แล้วความขี้เกียจมันขี้เกียจน้ำมานอยู่แล้วนะปากยังขี้เกียจตว่าอเองอะ่ะสุฮานอัลลอฮ์ก็ว่าไม่ได้อัสตัฟวิรุลลอฮ์ก็ว่าไม่บายอัลฮัมดุลิลลาก็ว่าไม่ได้ทาไมไม่ว่าล่ะและน้นี่นี่เตือนพวกเรานะว่าใครที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านท่านจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามน้ำมันขาดไม่ได้สองให้ลิ้นของเราเนี่ยเปียกชุ่มโดยการ سبحان الله أستغفر الله الحمد لله สองประโยคนี้ฟสับป حمد ิรับบิกะ و س ت غ ف ر ه إنّه كن ا بار Allah จะอภัยโทษในความผิดของเราว่ากี่ประโยคนะ سبحان الله الحمد لله أستغفر الله ง่ายหรยากง่ายแต่เวลานึกไม่มีเนี่ยเขาเรียกว่าก๊อฟละอายาสุดท้ายกับ ف َสรี /bg/ ฟัสรี /bg/ ฟัส ل َ ي ْฟั ا إ ี ن َฟ ك ُ م ี مُتَّبَعُونَ ف َ /bg/ ฟัสรี /bg/ ฟัสรี /bg/ ฟัสรี /bg/ ฟัสรี /bg/ ْัสรี /bg/ ฟัสรี /bg/ ฟัส เราเล่าให้นบีหมักว่นานบีมูซาเนี่ยพาพวกบรรดาิสอรอออลที่เชื่อท่านเลยนะเดินออกจากประเทศอียิปต์อัสรีไปว่าอะไรนะจงปล่อยฉันจงนำปวงชนของฉันอัสรีว่าเดินทางในเวลาไลลานกลางคืนอัสรอบีอับดีฮินเหมือนกันสับคำเนีมเหมือนกัน อัลลอฮ์ให้นบีเดินทางจากมักกะในเวลากลางคืนไปเมืองอัลออซรอจากอัลออซรอขึ้นอิสาราอไปข้างบนใช้ภาษาที่ละอัสรีอิสาราอเหมือนกันฝ่อัสลีอะไรนะอัลลอฮ์ตรัสว่าดังนั้นจงนำปวงเบาของฉันไหลล้นออกเดินทางในเวลากลางคืนจากประเทศอียิปต um ์อินนากุมมุตบาวนเพราะสูเจ้าจะถูกติดตามแน่นอนคือมูซาพาพวก ที่อิมาตออลอเนี่ยออกแล้วออลอล่าเองนะพวกฟาโร่จะเดินตามคุณติดตามคุณเข็นฆ่าคุณนี่เล่าให้ฟังรู้ก่อนสบายไใจไหมสบายทำได้ดีแล้วพอไปก็ไปเจออะไรเจอทะเลมูซาวะโอโหตายิ่งข้างหลังศัตรูเอนิมีอยู่ข้างหลังอะ่ะเป็นทหารเป็นไม่รู้กี่ล้านอะ่ะหลายแสนคนอะ่ะแล้วก็ทะเลลําจะรอดเลยไปน้อง เลาว่าฟาโรห์อาทิตย์หน้าเอาไม้ตีทะเลทะเลแยกป้านบีมูซาเดินลงพอขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นฟาโรห์มาเลยเดินตามมาลงด้วยนบีมูซาก็มองดูเอาลอกให้น้ากลับมาตายหมดเลยปักญาอธิบายอย่างนี้คนที่ตายรับหลังนบีกับต่อหน้านบีตายไม่เหมือนกันครับ คนที่ตายต่อหน้านาบียืนมองอยู่เนี่ยเราก็เห็นเองตายต่อหน้านาบีสดๆเนี่ยเล็วสุดๆ <c oughs> <c oughs> แต่ในคนที่เหยียบกุรอานเนี่ยนะถ้านาบีอยู่นะถ้ามึงอัลลอฮ์ให้ตายต่อหน้านัต่อหน้านาบีแนตะ่คนนี้เล็วสุดแต่นีถ้ถ้าตายหลังจากนาบีไม่เห็นแล้วนะมันก็เบาลงมานิดหนึ่งแต่ถูกไหม ถูกถ้าไม่ตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สุภาพนาบอัลลอฮ์ไม่ถูกก่อนตาก็ถูกในกูโบพอฟื้นขึ้นมาก็ถูกต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นหมดเวลาครับพี่น้องครับตัวลงว่าในเรื่องประวัติศาสตร์หมดเลยนะสังเกตนะอแต่นั่งก่อนก่อนจะจบก็ะกาุอังต่อร้องให้พี่น้องที่ที่ติดตามรายการเนี่ยนะครับพี่น้องคันนี้ก่อนจะจบนิดนึงมุสลิมที่ไม่เอาไหนเนี่ยสังเกตได้ไง่ายๆหนึ่งทรยศต่ออัลลอ ทรยศต่อระซูลด่าพ่อแม่ตัวเองข้อที่สองได้ยินเสียงอาจารแล้วไม่รับอาจานไม่ยอมมาสู่เราเรื่องที่สาขาดนมาทิ้งนมาไม่รู้สึกอะไรนะ่าไม่รู้สึกเสียใจอะ่ะแต่เงินหายไปร้อยบาทนอรอเดินหาสิบเที่ยวะหรือพันบาทเนี่ยเดินหาแล้วหาอีกเงินหายไปไหนนมาวักตัวหนึ่งขาดเฉย แล้วข้อข้อที่สี่ไม่ได้ไปนะมาที่มัสยิดนะไม่รู้สึกเป็นทุกข์ใจเลยนี่มุสลิมหน้าคนแขกนะข้อที่หกทาบาปแล้วมารู้สึกกลัวเลยนินทาชาวบ้านด่าชาวบ้านทะเลาะ ก, กับเมียไม่ให้เงินเมียเฉยหน้าตบกระ บ, บาล น, นะอ่ะข้อสุดท้ายข้อเจ็ดทำความดีไม่ได้น่าจะหาวิธีเน่ยว่าล่ะคุก็ปล่อยจะกู้ยืมนี่คนแขกที่ไม่เอาไหน Subhanallahumma k a wa b i h a m d i k a s y o l a illa illa anda a s t a g h f i r u l kawatul. a b u a i Kamu di bawah.